เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่ 32 เป็นกรณีเฉพาะตนของกับดี้บรรลุธรรมอาชีพงานที่ค่อนข้าง ต้องการที่ไม่ทําตาสังคมรอข้าหรือถามสังคม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 ถ้าตามเงื่อนไขๆได้ว่ามีๆ1 คุณไม่ได้มีความ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 เข้าขั้นครบสูตรเหตุแห่งรักตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กรณีแบบคุณมีอยู่ทั่วโลกแม้ระหว่างชายกับ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 จะต้องได้แน่นะครับเพราะการมีจิตที่ปกติและการดําริออกจากกาม กายใจแม้จะถอนเท้าจากหล่มกามด้วยศีลแปดได้จนชั่วชีวิตก็ตามแค่เครื่องล่อ 3 ปีหมายถึง คำถามที่ 2 การอยู่ด้วยกันของเรา 3 ของพวกเราว่าอยู่กันแบบผิดธรรมชาติ คือผู้ที่สังเกตธรรมชาติโดยไม่ถือเอาความ จากนั้นตามความรู้สึกไปว่าทุกอยู่หรือสุขอยู่ตามภาวะอันเป็นนามธรรมเหล่านั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงรู้สึกไปว่าทุกข์อยู่หรือ เห็นความไม่เที่ยงของภาวะทางกายใจไปจะ 3 จะบริสุทธิ์อยู่ยังจิตให้สว่างสดใสได้อยู่ตราบเท่าที่คุณไม่นอกใจคู่ บาปทิ่มแทงใจภายหลังจากราคะสิ้นฤทธิ์ลงตัวตัดสินสําคัญว่าผิดหรือ หากสำรวจใจตัวเองแล้วรู้สึกถึง 3 ของพวกคุณบริสุทธิ์อยู่ เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ คนหรือเขาผิดอะไร รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่ 33 พุทโธสู้กับพึ่งอาชีพเรียนปริญญาโทสาขา คำถามแรกศึกษาวิธีเจริญสติด้วยตนเองจากหนังสือแต่ๆขณะที่พูดคนเดียวทั้ง คือรู้สึกถ้าเป็นคนช่างฝันมากๆเนี่ยจะเน้นไปในทางการมีราคะหรือโลพะสูงรกรุงรังบริกรรม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 สำหรับก็ต้องบอกว่านี้ถ้าเอาตามที่เล่ามาก็ต้องฉะนั้นยามทํา แต่ยามว่างจากงานหรือการเรียนยามว่างจากงานหรือการเรียนๆได้การ คุณหาทางระบายฝันด้วยวิธีพูดหาทางระบายฝันด้วยวิธีพูดการพูดไป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 เข้าใจยากและแม้แต่อารมณ์ที่เปลี่ยนไปเจ้า และเหมือนอ้าแขนยินดีต้อนรับคุณอยู่เสมอบริการพุทโธเอาไม่อยู่หรอครับและความคิดพุทโธก็ขัดแย้งกับความคิดฝันเพราะพุทโธเป็นคำตายๆในหัวก็ ที่จะให้ใครบังคับว่าต้องเดินช้าๆบนทางตรงสั้น กายใจอยู่ในภาวะเมื่อลอยแล้วนะรู้แบบให้เห็นไม่ๆค่อยๆเปรียบเทียบจากจุด ดูให้เห็นว่าตอนเครียดหน่อยๆหรือตอนซึมหน่อยๆมัน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 แล้วความฟุ้งซ่านจะลดลงจากมิจิตยสารธรรมะ 51 เสียงอ่านโดยโจโฉ ทุกอย่างให้ดีสุด